ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ยีสิบห้ากรกดาคมนะองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเราก็ได้สนกันมาทำกันมาหลายชั่วโมง <c oughs> ในการปฏิบัติในช่วงเย็นนี้แลวก็อยากจะแนะนำถึงธรรมธรรมะนะ หรือว่าประวัต า, ามจริงที่ทําให้ใจของเราเป็นสุขทําที่เป็นเครื่องทําให้จิตเราเป็นสุขตัอย่างที่เดาเล่าให้ฟังมานี่ก็เป็นเครื่องชี้ชัดแล้วว่าเราไม่ได้มีความสุขเพราะเราขาดทำขาดการมองความจริงให้ครบขาดการยอมรับนับถือในสิ่งที่เป็นความจริง เราก็เลยหาความสุขในใจเราไม่ได้สิ่งที่ชึบ ว, ว่าใช่มันไม่ใช่ความสุขนั่นบบเป็นเพราะว่าเราทำตามกิเลสปัญหาของเราทำตามตามประสงค์ของเราเรียกว่าทำตามมานะคิติมานะของเราก็ได้หมายถึงว่าเป็นตปความเป็นภาษาง่ายๆครับหมายความว่าทำตามใจตัวเองนี่แหละ เราไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงเราก็เลยสะสงความทุกข์ความเดือดร้อนมามากต่อมากาการปฏิบัติที่องค์สันเดชแพทยบรมโลกกันนาจึงทรงให้เราได้มีทานมีศีลมีภาวนาก็เพื่อให้ทานนี่แหละเป็นเครื่องประคองใจของเราให้มีความสุขทาให้เราไม่เดือดร้อนในการเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็จะมีทรัพย์มีสิ่งต่างๆเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแต่เรามีให้ทานน้อยเราก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยมีความสุขทางด้านภาย น, นอกน้อย mm hmm. ก็จะทําให้ใจของเรานะี่ยมีอารมณ์หนักแต่ถ้าเราทําทานบารมีไว้มากเกิดมาภาตหน้าเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ามีความสุขสบายในทรัพย์สุขสบายในสิ่งที่เอื้ออาํานวยประโยชน์ให้แก่เรา จะนทำทำสิ่งของเราดีไว้ต่ชาติก่อนชาตินี้เราก็จะมีความสุขกันอยู่กับบุคคลที่มีคนดีๆอยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้คนมีศีลและก็อยู่ในสิ่งที่คนอื่นจะทำร้ายเราให้เป็นทุกข์เป็นโทษนที่ยา ก, เ, ก เ, เช่นกรรมกรรมของปณารีบาทก็กล้าลงขับหาเราได้ยากกรรมของการเสมเสีเยทรัพย์ก็ยากกรรมของพวกที่อยู่ใต้ปกครองของเราจะดูดานก็มียาก กรรมที่จะมีใครมาพูดปรารชาหลอกลวงเราก็ยากการรมที่ทําให้เราต้องเป็นคนที่สติตั้นเสื่อมหรือเป็นเป็นคนที่บกพร่องในด้านสติมันก็มีกับเรายากนั่นหมายถึงว่าเราลัะสายสินงห้าของเราดีมาในชาติก่อนถ้าเรามีภาวนาเร า, าเก็จะเพลที่มีปัญญาถทำให้เราคิดทําอะไรได้อย่างรอบคอบปาานี้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นกับเรายากสติสัมปทัญญัาา ก, ก็ดี ปัญญาเราจะคิดทางความรู้โลกโลกมันก็เป็นความ ร, รู้ที่หาง่ายเข้าใจง่ายเรียนรู้ง่ายทำให้เรามีความสุขสบายในการเป็นมนุษย์ทางศีลภาวนาที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขในการเป็นมนุษย์ได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตไปเพียงแค่นี้แต่ทรงตัดเองว่าเมื่อเรามีภาวนาแล้ว ให้รู้จักคิดพิจนารณาอย่างรับอย่างเตือนตามเป็นจริงเป็ความไม่เที่ยงตามทุกที่เราไปยุดถือเอาแต่ความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุงอย่างมันก็จดลงตรงที่ไม่มีอะไรจะเหลือทีนี้ไม่คือความจริงที่เราต้องกลับมาคิดพิดจนารณาเพื่อให้ใจของเราอยู่แล้วมีความสุขในเว่าเราจะทําสิ่งใดออกไปจากความเมตตาของเราก็ดีทํำสิ่งใดที่ออกไปจากความสงสารของเราก็ดี จะทำตามดีทั้งไหนด้วยกันให้ทานก็ตามก็จะไม่เป็นโทษกับเราเลยในสิ่งที่เราได้กระทำออกไปเพราะว่าเราไม่ฝืนเราเข้าใจความจริงเมื่อเราเข้าใจในธรรมธรรมก็มาราักษาแต่เราให้เป็นสุดทําอะไรจรึงไม่มีความทุกข์ปักเปนไปด้วยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทานมนรรปกิจปทานในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงความสุขอันแท้จริง จนเราเห็นว่าโลกมนุษย์ให้เราทําอย่างไรทําถ้าเป็นพับตายเท่าไหร่มันก็จบลงตรงที่ไม่มีอะไรจะเหลือยัองทรงพยายามให้เรานั้นได้เห็นความจริงอย่างทันอย่า ง, างองแท้เอว่าชัดเจนหมดคาว่าเครือบแคลงสงสัย ว, ว่าไม่มีดินแดงใดที่จะเป็นความสุขอันแท้จริงสาหรับเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เจวาดานางฟ้าหรือแม่จักรพ สิ่ง่านั้นก็ไม่ใช่จิตที่เราครนจะไปนิยมเห็นว่าเป็นของดีเลยนี่กือสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นแล้วต้องเห็นความจริงแล้วทรงได้ประกาศสัจธรรมออกมาให้เราได้เห็นว่าให้ทุกคนรู้จักหาหรือรู้จักทุกมันเองหาว่าอะไรเั็นสิ่งความทุกของเรารู้จักเหตุที่ทําให้เกิดทุกพรองค์ก็บอกแล้วมันคือกัรหาอย่างนี้เป็นต้น นั้นทางเดินที่พระองค์ทรงวางเอาไว้ให้เราปฏิบัติจึงเป็นทางเดินที่บริสุทธิ์แท้ทันจริงมาแนะนำพวกเธอทุกคนก็เ พ, เพื่อให้เธอได้เห็นในข้อบกพร่องในชีวิตที่เราดำเนินอยู่สิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วในอดีตที่ทำทานไว้น้อยไม่ว่าทานนั้นจะเป็นทานที่มาจากรักภายนอกทานที่มาจาก ซับภายในคือใจเราถ้าเราทําไว้น้อยคชานี้เราก็พบกับสิ่งเหล่านี้น้อยคือได้สิ่งนี้น้อยคนที่ทําทานแล้วบอกให้คอนอื่นชักชวนคนเ่นเขาทําจึงเป็นคนที่มีพวกมากมีเพื่อนมากมีคนรักมากแต่ถ้าเราทําทานเราไม่ได้ชักชวนใครไม่ได้ปถาถไนใครถ้าทำร่วมด้วยเราก็มีเพื่อนน้อยมีคนรักเราน้อยอย่างนี้เป็นเรื่องปกติมันเป็นเหตุเป็นผล ให้เมื่อเรามาเป็นชีวิตอย่างนี้แล้วเมื่อเราบอกพ่อมาเหมือนคนอื่นเขาเราก็จะรูสึกอะไรรู้สึกอยากเหมือนเขาอยากทําได้อย่างเขาอยากได้เหมือนอย่างเขามีเมื่อเราไม่ได้ขึ้นมาความโง่องของเรามันก็จะคิดน้อยใจเสียใจเพลินเพลายที่จะแสวงหาสิ่งนั้นให้ได้มาเหมือนอย่างเขานี่คือเราเห็นคำว่าธรรมดาตระหนกใจไหมนี่คือเรื่องเบื้องต้น เราพอเห็นได้หยาบๆเมื่อมองไปแล้วก็พิจารณาไปว่ามันเป็นเพราะมันมีเหตุมีผลทํำไมองค์เสดพระทศพลบรมาศาสาตรปัญญาจึงสอนให้เราเป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนากระทั้งถึงภาวนาเนี่ยตายไปอย่างมากก็ไปแค่กรรมว่าจางสวรรค์ดีแต่นั้นอีกนิดนึงในการชอบภาวนาก็ไปที่ขุมมรรคมันยังไม่ที่สุดมันยังต้องเยนไหวไปเกิดจากมิจฉที่สุด ดังนถ้าทางเห็นภาวนามันยังไม่ไช่ทางเดินถึงความพ้นทุกข์มันต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะดวงจิต่ายให้เราเห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นทุกข์จากที่เรไปยึดเราไปอยากเราโมโหมากที่มีความทะเยอทะยานอยากที่เรียกว่ากัณหาให้เรามาเห็นสิ่งนี้ให้ชัดเจนเมื่อเราเห็นมันชัดเจนเท่าไหร่ เราก็จะรักษาใจของเราให้เป็นสุกับสิ่งที่เราได้ทําอะไรมากเท่านั้นเห็นไหมที่ฉันเล่ามาให้ฟังก็เพื่อให้เธอไดิมมาบทมีบทสรุปถึงความเป็นจริงว่าต้องเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจความจริงถ้าเราไม่เอาความจริงเป็นตัวครองใจเราไว้คุ้มครองใจเราไว้ปกต้องใจเราไว้ ตัวเราเนี่จะทำลายความสุขในตัวเราเองเพราะความเป็นพิถีพนะิถันหนึ่งความที่เราขาดดึ่งความเข้าใจความเป็นจริงหนึ่งเพรการปฏิบัติจึงพยายามที่จะให้เราทุกคนเนี่ยให้เห็นดึงความเป็นจริงเป็นหลักยอมรับความเป็นจริงให้ได้แต่เราฉั น, นึกคิดามาเฉยๆมังของมองมันไม่ละเอียดนะักเราต้องสงบ ความสงบเกิดเรื่องหมายความว่าเราทำสมาธินั่นเองสงบอย่างเดียวก็ไม่พอไม่พอแล้วหรือแค่สงบพอไหมไม่พอสงบแล้วเราก็ต้องกลับมาทบทวนคิดไข่โคนถึงความเป็นจริงที่เรากำลังกําลังประสบอยู่ไม่ว่าเรื่องนั้นเราก็ทํำสิ่งใดเราองไข้โคนโดยที่ว่าทําไมเราจึงทุกข์ทำไมเราทําตามดีมันจึงมีความทุกข์ทำไมเรามีความรักจึงทุกข์ทำไมเรามีความปรารถนาได้จึงทุกข์ ทำไมความเมตตาของเราจรึงทุกข์คามสงสารขอเราจรึงทุกข์ทำไมจะมีความทุกข์อย่างนี้เมื่อเราคิดไปคิดมาหาความจริงได้เราก็อ๋อที่เรามันเป็นกรรมของคนอื่นนี่เรามันเป็นความจริงจริงที่ต้องเกิดขึ้นเราจะหมกมุ่นเอาว่าสิ่งนี้มันเป็นเขาเป็นเราอยู่นี่ที่ค่อยๆคิดมันก็จะเห็นง่ายไม่ได้ใช้สมาธิมากมายนักหรอก แค่ทำให้จิตใจคลงเรามันโปรง่งสบายนี่วันไม่กวนใจเราเราก็คิดพิจารณาในขณะที่ใจเราโปร่งเราใจสบายนั่นแหละมันก็จะมองเห็นความจริงได้ไม่ยากเมื่อควารรมจริงมันระจัดกระจเราแล้วมันก็จะเป็นเครื่องคุ้นครองใจเราไม่ว่าเราจะกระทำอะไรออกไปเราก็จะไม่มีปีต่านั่นสิเราจะต้องไปทุกข์กับมันเราเคยทุกข์เราเคยเดือดร้อน แต่ตอนนี้เราไม่ทุกข์แล้วเราเขา้าใจแล้วการให้ของเราไม่ทุกข์แล้วการเด้ตาของเราไม่ทุกข์แล้วการทําบนของเราไม่ทุกข์แล้วการสงเคราะห์คนไม่ทุกข์แล้วให้ด่าเราก็ไม่ทุกข์แล้วใครจะมีจุกเจียนว่าเราเสียใจให้หายเราก็ไม่ทุกข์ใจแล้วใครจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกเราก็ไม่ทุกข์ใจแล้วจันนี้เป็นตน้นคือทำทั้งหลายยึดธรรมะคือความเป็นจริงนั่นแหละ มันได้ประจักแจ้งในใจของเราเสร็จแล้วขาดจากความรู้ ส, สึกที่จะต้องไปหมกมุ่นทำให้เกิดกิเลสเกิดปัญหาเกิดปติตาทานสร้างอคตจละกันมันสิ้นขาดไปหมดแล้วนี่นคือหัวใจสำคัญของพระศาสนาที่องค์สมเด็พระศาสด า, ามีทุกข์ประสงค์ที่เว่าอาร ย, ยสัตวมนั่นเอง การกระทำทั้งหลายที่เรามาเล่นใจกันกระทำปฏิบัติกันอยู่เป็นปกติมันจะกระทำที่บ้านเธอ้วมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติกันที่นี่หรือไปที่วัดใดวัดหนึ่งไม่ว่าจะวัดท่าสงก็ตามนั่จะคิอเครื่องมือคุ้มคองให้เธออยู่ในกรอบที่จะเดินเข้าไปหาความเป็นจริง แต่ในความเจริงไม่มีใครให้เธอได้นเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเาเรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนเป็นตัดตังความสงบของใจเท่านั้นกับความที่เราคิดมองความเป็นจริงเท่านั้นเราจึงจะยอมรับนับถือว่าเอ้อจริงนะเขาพูดได้รัสถูกจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะมาบ้าฝืนบ้าบัางคับมีความรู้สึกไปกังวลหนักอกหนักใจ กับเรื่องสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเธอตอบตัวของเธอได้เลยถ้าเธอมองเห็นมันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่ะเห็นได้ไม่มีใครโง่ขอให้คิดให้ตรงขอให้มองประเด็นให้ถูกจับจุดที่เรากำลังทุกขให้ถูกแล้วก็ค้นหาเหตุที่เป็นความทุกข์ของเรามันเกิดจากอะไรแล้วก็ดับความทุกข์นั้นซะที่ดับที่เหตุนั่นแหละ ที่ก็พูดไปเชิงๆตำลานิดๆนะก็เป็นแบบเป็นแผนเอาไว้เธได้นำไปปฏิบัติตึกแต่ตรองว่าสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเนี่ยเป็นทางเดินที่งามมากถ้าท่านทั้งหาลายจึงสัรเสริญคนของพระพุทธเจ้าอย่างหาประมาณไม่ได้ก็พราะท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งนี้ว่าช่างงดงามและเก่ง ในคําสอนที่อ ง, รร ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตระท่านทําให้จิตใจของเราสว่างแจ่แจ้งคลายความทุกข์คลายทุสิ่งทุงอย่างออกจากใจเรายังอาจจะจันทร์จริงยนะิ่งนักในสมัยที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสิโสภาะทรง ม, มีพระชนชีพอยูาอาาย่พระอรหันต์หลายพระองค์ท่านหลายองค์ท่านทีนท่จะประกาศที่ท่านจดจิตตั้งเพื่อจะประกาศตามดูของพระพุทธเจ้าลอยขึ้นมาในอากาศสงเกญบยอดจันตาลตาํามานบั้ง แล้วก็ประกาศตาเกบพกพระพุจ้าก็ลงมาแล้วก็ประกาศขึ้นใหม่มีมากมายหลายองค์นักในสมัยพระพุทธเ จ, า จ, าจา้าจังทรงพระชนมคิดอยู่และทําสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะท่านยอมรับนับถือในสิ่งที่พระเจ้าทรงจักว่าจริงทําให้ท่านออกจากความทุกได้จริงเพียงแค่เราค้นหาความจริงให้พบแล้วก็ยอมรับนับถือว่าใช่มันเป็นเช่นนั้นมันไม่ใช่ของเราจริง มันอ่านที่มาตานกลางวันเราได้พูดกันมันไม่มีอะไรจะเหลือสิ่งที่เราคิดเป็นเราเป็นของเรามันไม่มีอะไรเหลือติดตัวเรามาแม้แต่อย่างเดียวแล้วไหนล่าที่เราจะเอาใจของเราไปหนักกับมันแบกมันไว้กังวลมันไว้ยึดถือมันมาทำไมในว่นสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรจะเหลือเป็นเราเป็นของของเราพูดอย่างเนี้ยจากความขยายความแล้วมันกว้าง แต่พูดลัดเข้าให้มาเป็นคํากำความหมายกระชับกระชับเข้ามาก็เพืได้ใจตามเป็นแค่นี้ว่าพูดจริงตัวอย่างมันไม่มีอะไรจะเหลือเป็นเราเป็นของเราและเหลืออะไรเหลือตัวเราคือจิตเหลือแค่นี้ที่เป็นเราเป็นของของเราเธอเห็นโดยสิ่งนี้ไหมถ้าเธอคิดไปเรื่อยเออจริงใช่พระพุทธเจ้าตรัสถูกต้องเป็นเช่นนั้นจริงๆ ไม่มีอะไรผิดเลยเขาจะชื่นใจและดีใจมากว่าเราพบแล้วเราทุกมานานแล้วเกินถ้าเราไปบ้าศูน์บ้าบังคับในสิ่งต่างๆให้เป็นลรงใจเราเดี๋ยวนี้เราหายโงแ่แล้วเราก็จะต่อเรามีมามีสิ่งนี้ยเป็นสมบัติเป็นที่คุ้มครองจิตใจของเราให้ไม่ไม่เกิดความทุกข์เมื่อยามใดที่เรานึดถึง เข้าใจในสิ่งที่เราได้พิจารณาเรารู้สึกว่าโอ้หน้าตามันผ่องมันยิ้มได้มันยิ้มเองรอยยิ้มมันยิ้มของมันไปเองดวงตามันก็จับใสจับใส่ก็มันไปเองเหมือนดวงตาของพระอรหันต์นั้นแหละก็จะโดยจับใสสีของดวงตาท่านจะเปานเหมือนสีน้ำเงินออกน้ำเงินจะมีน้ำเงินเปิกระจายเหมือนเปนน้ำเงินทับเขาเรียกสีอะไร นันจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเข้มเขมไม่ออกน้ำตาลไม่ออกดัำยิ้มของท่านก็จะเป็นยิ้มที่ชข้มเข้มใจมันชข้มเข้มใจสบาลใจยิ้มเองมันยิ้มธรรมชาติก็เพราะว่าใจของท่านเป็นตกใจเองท่านมีความุกในธรรมไม่ได้มีความตกมาจากอะไรุกจากการที่เข้าใจความจริงสังหะเพราะก่อนหน้านั้นท่านทุกข์เหลือเกิน ถ้ามีตามคิดแต่ท่านไม่เคยเอาความจริงเข้ามาคิดท่านมีจะรู้รว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจะทํำยังไงละ่ะที่พยาจะทําให้มันมันดีขึ้นถึงมันจะเป็นอย่างนั้นก็จริงเหมือนกับคนจะตายรู้ว่าตายแต่ท่านไม่อยากให้ตายรู้มันก็ต้องเสียจะไม่อยากให้เสียรู้ δ, มันต้ต like, ตองเจ็บก็ไม่อยากให้เจ็บรู้มันก็ต้องเจ็บท่าไม่สบายก็ไม่อยากเจ็บท่าไม่สบายรู้มันต้องแก่ก็ไม่อยากแก่ เรือ่องนี้เป็นแน่หรือว่าช่วยมันได้ประยันดันช้นหลังเข้าไปช่วยดังนั้นทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้เราเสริมได้ทั้งๆที่เราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็จะบ้าทําบ้าศูนย์บ้าบังคับให้มันเป็นให้ได้นี่แหละมันเป็นตนามพวกของเราที่เรียกว่าตัณหาตัณเพย์ท ย, ยานท ย, ยานที่จะทํา ทะยานที่แคามันเป Dra ็นประกามที่เราคิดทั้งทั้งที่จะยอมรับก็เป็นอย่างรู้น่ะว่าเป็นอย่างนี้ถามทุกคนหนึ่ง ม, มีไหมรู้หรือไม่จะเป็นตั้งแก่รู้รู้ไม่จะเป็นต้องเจรู้รู้ไม่จะเป็นต้องตายก็รู้รู้ว่าทุกสิ่งทักอย่างที่ได้มาก็ต้องเสียไปก็รู้รู้ทุกคนแต่ความรู้อย่างนี้มันกับช่วยตัวเองให้เป็นจบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราจะพยายามพยายามที่จะตืน่น พยายามที่จะบังคับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเองตั้นาเพราะตนาอยากจะสุกอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากสนใจอย่างนี้แต่น้าดินแดนนี้มนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่แดนของเราไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่เป็นของมันทั้งหมดไม่เป็นธาตมันเป็นของโลกมันก็จะสลายไปตามมันหมด ไม่กลับมาหาเราเลยแม้แต่อย่างเดียวจิตใครก็ยังจิตยังเป็นจิตมันาการคนก็ต่างไปไปตามที่งโง่หรือฉลาดนอกจากพี่กู้มากลางวันนี้มนาะถ้าฉลาดเท่ากันคิดเหมือนกันก็ไปอยู่ในที่ที่เดียวกันลงตามแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทุกคนปฏิบัติไม่ใช่เราจะไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นไม่ใช่ว่าเราที่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไง รู้ oh. แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นทุกข์คือฝืนสิ่งนี้แหละที่เธอต้องมองมันให้มากทุกข์เพราะเราศืนทุกข์เพราะเราบังคับเพื่อเราจะคิดแล้วต้องให้เป็นต่างที่เราต้องการให้ได้เราจะเห็นมันไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสถูกไหมทุกขทุกข์เพราะปัญหา เพราะว่าปัญหาเป็นบ่อเหตุบ่อเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ข้อแรกคือให้รู้จักทุกข์เหตุที่ทําให้ทุกข์คือปัญหาแล้วเราก็ควรจะดับทุกข์ซะว่าไอ้ที่มันรู้มันคืออะไรอ๋อมันมาจากความอยากปัญญาอยากนะดับตรงนี้มันซึ่อยากผลปล่อยมันเถอะทาอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยเป็นตามบาละของมันมันอยากแก่จนแกอยากตายเจนตายอยากเจ็บจนเจ็บอยากเป็นโลกก็เป็นไปอยากหมดก็หมดไป มันจะสลายไปก็สลายไปไม่ได้มาก็ไม่ได้ไปได้ก็ทํำไปไม่ได้ก็ไม่ทําไม่ต้องมานั่งดีใจเสียใ จ, จกับสิ่งที่ได้มาเพราะเรารู้ว่าสิ่งทั้งไหลมันก็จบลงตรงที่ไม่มีอะไรสิของเราอยู่ดีเราจะวางใจไปยินดีเราก็โง่เพราะเราคิดว่ามันคือความสุขเราจะไปยินร้ายเราก็โง่เพราะเราคิดว่ามันคือความทุกขไม่ว่าสุขก็ทุกข์ที่เกิดจากมัน ถ้าเราไปบ้าตามมันเราก็งง่กันคู่ตกลาใจไหมอาจต่ละเอียดจัดนิดนึงแต่ก็เพื่อให้ใจมันเข้มข้ น, นเพราะเราฟังมาบ้าเราควรจะรู้จุดจบของมันว่ามันควรจะจบยังไงในตัวเราเองเพราะความทุกขเป็นตัวเราเราย้องรู้ตัวเราดีความทุกข์เราต้องรู้ว่าเราทุกข์เรื่องอะไร ไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วก็รู้ความจริงมันคืออะไรด้วยก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกเหมือนกันแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมรับมันเองไม่ยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ทำไมเราจึงไม่ยอมรับมันเรายังคิดเผื่อไว้ว่า มันเป็นไปได้เราเผื่อมันไว้คิดว่ามันน่าจะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้บางคนจะต้องเป็นไปตามนี้ตามนั้นนี่คือเราคิดเองเออเองถูกั้มแต่ไม่ได้มองความจริงให้กระจ่างคิดเอาเองเออเอาเองจกลงตัวเองถ้าต้อเป็นอย่างนั้นเอง แล้วก็ทุกเองทุกใจเองแนีวยก็มานั่งทำเพื่อให้ตัวเองออกจากทุกก็ตัวเองก็ทำเองถูกไหมทุกเรื่องตัวเองสั้งเองสั้งเรื่องเองดำเนินเรื่องเองแสดงเองแล้วก็ทุกในการแสดงของตัวเองแล้วก็นั่งบนเรื่องของเรื่องนี้ไม่น่าจะเล่นเองแล้วก็คิดจะละเรื่องนี้ออกจากใจเราตัวเอง ทั้งหมดนี้แหละมันเป็นบทบาทของใจเราจะเพียงผู่เดียวที่ไม่มองความเจียงให้มันครบเราขาดตรงนี้ไปนะงั้นถ้าเราเน้นที่จะมีวิจารณญาณคือยอมรับความเจียงให้มันมากขึ้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยแยกต่อยอย่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาต้องจ็ดให้หมดจนก่าเราจะเห็นว่าในแดนนี้มนุษย์ไม่มีอะไรเป็นสุขเลยไม่มีอะไรเป็นของเราที่จะควรจะตั้งไปอยาก ไปตังวลไปดิบขั้นตัวเองแต่พยายามที่จะบังคับให้มันเป็นไปตามนั้นเมื่อถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เธอจะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะน่าเป็นสุกจริงๆอย่างที่พูดเมื่อวานมันเป็นความสุขที่ไม่ได้อิงอะไรจะเป็นความสุขเกิดจากความเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่ฝืนมันคือหยุดแล้ว หยุดปัญหาแล้วหยุดสร้างเชื้อที่ก่อเกิดตามทุกข์แล้วไม่เอามันมาสมในใจเราแล้ววางมันไว้ข้ า, างนอกแล้วไม่จ่าต้องมันอีกแล้วเข้าใจไหมจ๊ะใค่อยคิดไปนะเอาไว้ทบทวนมองตัวเองแล้วจะ เ, จ เ, จเห็นข้อบกพร่องของตัวเราว่าเออใช่ ที่พักพันธุเนี่ยใช่เราเนี่ยมันเป็นเราเนี่ยบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นดังใจเ ร, เราเราไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการให้สิ่งนี้เป็นเกิดแล้วจะพูดว่าทำไมทาไมแล้วก็ได้เเลยว่าจะทำยังไงทำยังไงรจรึงจะได้มาครั้งนี้ทำยังไงก็ต้องถามผู้รู้ว่าจะทำยังไงทำอย่างนี้ดีไหมทำอย่างนั้นดีไหมเอ้า อยากจะขายที่ได้ทํายังไงต้องไปบนบานสารกล่าวบอกท่านดีไหมไอ้นันเองดีขอท่านช่วยดีไหมเหร็จไหมไม่ได้ดังนั้นก็ติพระว่าพระเหมือนเป็นตามที่ท่านพูดเหมือนเป็นตามอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปแล้วไม่ได้ดังใจก็เอาเรื่องพออยากได้ดังใจก็ต้องไปขอร้องให้เขาช่วยพอไม่เป็นดังใจคิดก็หาเรื่อง นี่แหละสิ่งที่ชีวิตที่ทุกคนเป็นอยู่จึงๆบอกว่าไม่มีใครโง่ที่จะไม่รู้นะว่าตัวเองน่ะทุกข์เพราะอะไรแต่มันไม่มีใครเลยที่จะยอมรับมันน้อยคนนักที่จะยอมรับความจริงมันได้ถ้าอบารมยอมรับความจริงได้เขาก็เรียกว่าผู้เขาอรยิยสัจเป็นอรยิยะบุคคลในภาษาศาสนาคือเป็นพระอรยิยะคือเป็นผู้ผที่ รู้ในความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งแล้วถ้ารู้ไม่มากรู้แค่ยอมรับความจริงแค่ชีวิตเราต้องตายทุกอย่างมันก็ต้องตายหมดทังหมดไม่มีอะไรจะเหลือหมดร่างกายที่เราตายร่างกายที่เรารับคนที่เรารับ ก, ก็ต้องตายเหมือนกันและยอมรับมันได้แราจึงไม่อยากที่จะไปทำตัวเองให้เป็นโทตรกะใครสิงจึงรักษาอย่างมั่นคงไม่ลังเลสงสัย ตานเป็นพระโสดาบันก็เกิดขึ้นนีนเป็นของไม่ยากเป็นไม่ยากต่าาอพระอริยะมีเรื่องเดียวส่วนพระอาริยสุกเข้าใจสัจธรรมไม่ใชเข้าใจอย่างเดียวยอมรับอย่างสนิทใจและก็ไม่คำฝืนหรือบังคับให้มันเป็นไปตามอะไรเลยปล่วางให้ทุกอย่างมันดาเนินตามเหตุตามผลเขามันอย่างสมบูรณ์ดีแล้ว ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันเลย่อให้ริปากน์กรรมทั้งหลายดำเนินเข้ามันไปพอให้เรื่องราวทั้งหลายในโลกมันดําเนินมากระทบเราไปตามเรื่องตามราแล้วมันก็จบกับมันไปเองไม่ต้องไปเสด็จไม่ต้องไปบังคับอะไรเราเป็นผู้รู้คือดูเฉยๆผู้ตื่นอยู่ตื่นโตเสมออยู่ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเค่นี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของเรา เราจะไปยึดกับมันทำไมปลอยให้มันเกิดเส้นตังอยู่แล้วก็ดับเขาไปไม่ว่าจะดีหรือว่าร้ายถูกใจหรือไม่ถูกใจก็มันเป็นเพราะติดกรรมนะตามกรรมที่เราทำมาคือตามโง่อของเรานั่นเองยอมรับเถอะเมื่อเขาด่าเราก็จงยอมรับเออเมื่อก่อนนี้เราโง่โง่จึงไปตีเขาโง่จึงไปว่าเขาฉันเคยโง่มาแล้ว ฉันเคยติพระสงองค์กระเจ้าฉันกคยติมาแล้วนั่ก็คือความโง่ของเราที่เรามองไม่เห็นควานนี้แล้วเราก็โดกก็าติบ้างถูกเขาด่าบ้างถูกเขาว่าบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ของแปลกนี่เรายอมรับไหมเรายอมรับความจริงเราหลีกความจริงเหล่านี้ไม่ได้จะให้ใครเข้ามามาด่าเราแหละเป็นนี้เป็นไม่มีทางแล้วจะไม่ให้ใครเข้ามาชอบเราก็ไม่มีทาง ของเหล่านี้เป็นของคู่กันที่จะว่าโลกาธรรมมันต้องคู่กับชีวิตของเราไปตลอดกันจะเกิดอย่างใดแต่เราเท่านั้นน่ะรู้เท่าทันมันไหมถ้ารู้ความจริงกระจานแจ้งในใจรเราดีแล้วเราก็าจะไม่ทุกข์คือไม่เกาะทุกข์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเลยปล่อยมันวางมันซะช่างมันซะ นั้นคำว่าช่างมันช่างมันมันก็เลยเป็นคำที่แพร่เพราะจะช่างตรงเดดไม่ได้ช่างเพราะว่าเบื่อหน่ายไม่ได้ช่างเพราะว่าไม่อยากจะสนใจจะช่างมันก็เพราะว่านั่นคือความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่างมันก็เพราะว่าเราฝืนมันไม่ได้บังคับไม่ได้ปล่อยมันเยอช่างมันเยเกิดก็เกิดเนอลไก็เป็นตายก็ตายหมดก็หมดเจ็บก็เจ็บ อยากแ่ก็แกอยากป่วยก็ป่วยแต่เราก็ไม่ถึงความดีบุญที่เราสร้างไว้เราก็ทำของเราเลื่ไปเพราะ น, นั่นคือความประบายใจสุกใจของเรามัเป็นความดีบุญที่ทำให้เรานั้นนำไม่กรรมที่ทาไว้มันตามเราทำมันก็ต้องทำโดยเหตุผลสองประการประการแรกคือการมีชีวิตอยู่อย่างผู้ที่ไม่ผูกกรรม หมายถึงว่ากรรมที่มนมุษย์ทำโดยแรงมันจะตามเราทําถ้าเราไม่เอาบุญมาเช่วยไว้เราเดิอยู่ในโลกมนุษย์เราก็สวยถูกไหมโดยไม่ทําำล่อยละท่างบันจะไม่สนใจถ้ากําลังใจของเธอไม่พอรับมันไม่ไหวจิตใจของเธอจะเป็นปกไหมไม่มีเวลาพักผ่อนโดยยําเละแน่าจะเกินยันหลับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีทุกปี จะจะอดไปได้สักแค่ไหนคนฉลาดก็จึงทําบุญหนีบาปทําตามดีหนีบาปรักษาใจหนีความเชื่อหนีความเจ้าหมองทําอะไรก็ต้องปฏิบัติมันก็มีเหตุถ้าอยู่บนสวรรค์ต้องทำไหมบยสวรรค์เองเธอมีปัญญาอย่างเดียวจะไปผ่านได้เลยเธอไม่ต้องทําบุญเพราะว่าที่นั้นไม่มีอะไรฝังใจเธอแต่ในความเป็นมนุษย์ กรรมมันมีเห็นไหมมันฟังความคิดของเธอขวางทางเดินของเธอฟางคามสุขของเธอฟางความบาดธนาของเธอฟังไปหมดทุเรืงธอยากจะมาวัดตางไม่ได้เย็ดร่างกายเป็นอย่างนั้นเย็ดร่างกายเป็นอย่างนี้มันฟังเธอหมดเธอจะปฏิบัตินั่งทําสมาธิอมกขลัดโง่เงี้ยจําอะไรไม่ได้เล็อกอะไรได้ออกมันก็ฝังหมดแต่ดวงสวรรค์ไม่มี ไม่มีบาป ก, กรรมที่เป็นความเชื่อเข้าไปฝังท่านนอกจากปัญญาของท่านคือท่านไม่คิดคอยตามไม่พิจานณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็แค่นั้นแต่เรามันอยู่ในโลกมนุษย์มันมีหลายอย่างที่มันเข้ามาฝังเ่าคือบาปกรรมความเชั่อและการทําบุญจึงจําเป็นจะต้องทําแต่ไม่ได้ทำเพื่อหวังเอาผลบุญเนี่ยเพื่อการไปเกิดบนสวรรค์ เ่อความสุขสบายในชาติหน้าใช่ไหมเราทําบนญเพืการละความโลกให้ทานาละความโลกแต่บุเหล่านี้มันประคองใจของเรามันทําให้เรานั้นเป็นมนุษย์อย่างมีความสุขเธอก็จะมีอะไรโลกการทำบใบอนาตฝ่ายดีคือมีความสุขมีลาบส ก, การละมีคนชื่นชมยินดีไม่คนด่าว่าเจย์ถึงจะมีคนด่าว่าเจย์มันก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่าบุญของเธอทําไว้ดีถ้าบุญของเธอทําได้การ กายวาจาใจของเธอดีคนไข้เือเธอก็ยากที่จะมาแตะต้องให้เธอเดือดร้อนวุ่นวายมันน้อยแต่ถ้าเธอวาจาของเธอไม่ดีกรรมตัวนี้ก็จะมาหาเธอทำให้เธอต้สุกคนอื่นเขาติว่าเธอโดยวาจาใช้คำที่ไม่ดีถ้าเจอแต่เพื่อจะทส้าชีวิตเขาไว้ก่อนมาถ้านี้เธอต้องสุก เ, เขาเปื <inic ith S 2> ่อทิ้งชีวิตเหมือนกันถ้าเจอแต่เพื่อทร้งชีวิทรัพย์กับเขามาก่อนมาถ้านี้เธอต้องสุกเขาเพื่อทิทางทรัพย์เหมือนกัน ไม้จะเป็นผู้ทําให้เขามีตามทุกขังใจมาก่อนมาชาตินี้จะก็ต้องทุกขังใจเหมือนกันที่อย่างมันเปนเหตุเป็นผลที่สมบูรณ์ดีแล้วเราจะมาพูดว่า บ, บุญต้องทําทานศีลภาวนาจึงต้องอยู่ในใจเราตลอดอย่าว่างเว้นมีโอกาสทำไอรุกตะไปริกตังไปฆ่าไปฆังเร่งรเร่งรีบรีบเร็วเร็วไวไทําไว้เราไม่รู้ว่าไอ้ ก, กรรมตาชั่วมันจะมากะหาเราเมื่อไหร่ ทำไว้ทําล้วก็ฐานขอพรท่านไว้ขอเทวดาช่วยขอท่านช่วย ท, ทําไปเถอะมันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้มัน เ, นเปลินเล่าวทําไปเถอะแต่เราไม่ได้ขอช่วยจนเราไม่คิดพิจนารณาอะไรนั่นเรายอมรับความจริงแต่เราก็ไม่อยากเดินอย่างคนที่ลําบากเกินไปถูกไหมเหมืนกับเรื่องของท่านที่เกิดมาเนี่ยทานไม่เคยให้เพราคิดว่าการให้ทาน มันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ท่านบรรลุมัรคผท่านก็เลยไม่ให้ทำไม่ให้ใครเดินด้วยใจอาศัยสมาธิกาลังปัญญาคิดพิจนารณาอย่างเดียวก็เกิดมาช้าสุด ท, ท้ายท่านจะได้เป็นอารหันต์ท่านก็ไม่มีโอกาสเป็นสุขสบ า, ายเหมือนพาอาระอรหนองค์อื่นๆแต่น้องพ่อพ่อตาด้วยท่านจะไปเกิดในที่ที่ดีเข่าใจไสุขสบ า, ายน้องพ่ออรหันต์เขอยู่อยสุขสบายแต่ท่านกลับ ไ, ไปเกิดในที่ที่เมตตา อาหารการกินก็ไม่มีกินแตลบของท่านอย่างเดียวในชีวิตแต่จะบรรลุเป็นพออาระาอารหันต์ยากลาบากแท้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมพระเจ้าสอนให้เรามีทางกินพอญานนะเพราะเป็นกําลังเป็นสเสบียงเป็นที่พักทําให้ใจของเรานั้นมีโอกาสเข้าถึงทำง่ายทําใจไม่ถูดหยุดขันทางกายทางวาจาทางใจ ศีลมันจึงจําเป็นต้องมีไว้ในใจเราเพื่อปตกป้องคุ้มครองใจตัวเราเองทานก็มีไว้เพื่อความสงบความไม่ถึกเดืเอดเปลียนทางกายทางวาจาทางใจภาวนาก็มีไว้เพื่อเราได้คิดพิจรนารณาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเราจะได้เห็นความเป็นจริงอย่างกระจ่างแล้วก็ยอมรับไม่ให้จิตกะเป็นทุกข์ไดง่ายครบไหมนั่นิองที่พระพุทองค์ทรงตรัสสอนจึงครบถ้วนสมบูรณ์จรงปกป้องเราแล้วช่วยเราหลายอย่าง ช่วยเราอย่างเป็นนกก็อย่างดีแต่เราจะได้มีโอกาสดีๆทําะไรได้อย่างดีๆแต่เราน่ยสิมันไม่ได้เห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญนักหนะกลายเป็นว่าเราทําเพราะมีเหตุอื่นทำเพราะอย่างนั้นทําเพราะอย่างนี้ใจมันเลยไม่คืบเอทําไปจริงๆจังๆเือไม่ได้ทําเพราะใจเห็นด้วยประโยชน์ญญในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเธอเห็นอย่างที่ฉันพูดเนี่ยเธอจะชอบทํำไหม แต่ตั้งใจรักษาศีลไหมตั้งใจให้ทานไหมตั้งใจภาวนาไหมเคยยินดีทําแบบมีความสุขไหมให้ทานก็มีความสุขรักษาศีลแล้วก็มีความสุขภาวนาแล้วก็มีความสุขพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้แหละจะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากการถูกเบียดเบียนจากกรรมทั้งหลายแต่ถ้าจำความผ่้ในอดุตในความโง่ที่เรามีมโนแรงแล้วคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน้่นาองจากพระอรันก็ยังหลีกไม่ค้นพระพุทธเจ้ามา่อสมัยตรงมีพระชคิดอยู่ก็หลีกกรรมประเภทนี้ไม่ได้เหมือนกันจะหลีกไม่ได้ก็ทางหัวมันอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อพระโมคคัลลา ท, ท้ายกรรมก็มาตามท่านถังก็ต้องสูดเจนครับสุกตีท่านสะมรณะภาที่แรกใช้กําลังปัญญาหนีปเป็นสีย เอาไปหนีไปสามวาระาต่างจุดอะเราจะหนีทําไมเมื่ถึงวาระแล้วก็อย่าไม่ก็ทำเถอะเห็นไหมท่านยังยอมไม่ค่อยสุดตี่ท่านจมานมรณะแม้กระทั่งเรื่องของท่านเป็นเจ้าพิมพิสารอย่างที่เคยเล่ามาในเดีกินแล้วก็เหมือนใจทุกอย่างมันมีตัวอย่างเยอะแย ะ, ยะทำให้เราได้ไข่ควรพิจารณาแล้วก็โอ้ท่านยังเป็นเราก็คงเป็นอย่างนั้นเราจะโกรธทำไมท่านยังยอมรับแล้วก็ยอมรับเถอะ แต่เราจะตั้งหน้าตั้งตาให้ทารักษาสิภาวนาของเราอย่างเข็งรับทำตั้งใจเตือนยังหลักจิตใจจะไม่วุ่นวายวัาแวะเอาเรื่องอื่นสำคัญไปเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันคือชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวเราไม่ให้ทุกข์ทำให้เรามีโอกาสที่จะคิดและพิ จ, จนารณาหาหนทางออกจากทุกข์ได้อย่างง่ายต่อใจไหมจ๊ะดังนั้นวันนี้เป็นวังสุดท้ายของเดือน ก็ฝากเอาไว้เธอได้กลับไปตั้งใจทำถ้าเธอเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเนี่ยมีประโยชน์กับเธอจริงเธอก็ทำเธอแต่ถ้าเธอคิดว่ามันยากถ้ายากก็แสดงว่าเธอไม่รักตัวเองตัวเราเองำไม่ได้หรอกเราไม่มีเวลาเรามีทัพน้อยมันเกี่ยวกันที่ไหนอย่าอ้างสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเราไม่เห็น ประโยชน์ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงสารเราเลยเห็นจะามเป็นตัวตนเองว่าเราไม่อยากทํามันยุ่งมันวุ่นวายมันไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นู่นขออ้างเพียกแล้วใครก็จะมาช่วยเธอสุดท้ายจะไปนั่งขอร้องให้ใครก็ช่วยช่วยฉันดีฉันเดือดร้อนอีกแล้วฉันอย่นี่อีกแล้ ว, ฉ, ลวฉันย่างั้นอีกแล้วแล้วก็ต้องวิ่งโล่ไปหาเขาช่วยหายเขาคอยพูดคอยทําให้คอยจัดการให้ ใค้เขาจะมาลอยตัวเถอตลอดทั้งชาติเขาก็ต้องตายเหมือนกันถูกไหมหลวงพ่อได้มรณะภาพไปแล้วยี่ห้อยต้องก็ตายเหมือนกันแล้วก็วเราจะตายเมื่อไหร่ถูกไหมไม่มีใครมาเป็นที่เปื้อกันได้แบบนี้นอกจากว่าเราต้องปฏิบัติตามท่านเชื่อฟังท่านปฏิบัติตามท่านคิดพิจารณาอย่างท่านแล้วเราจะ ชื่อได้ชื่อว่าเราเอาท่านมาเป็นประธาที่พึ่งไม่ใช่เราไปขอให้ท่านทําอะไรให้เรานั่นไม่ใช่ประธาที่พึ่งนั่นคือเรากําลังใช้ท่านพ้าเป็นประธาที่พึ่งจริงๆคือเราปฏิบัติตามท่านคิดอย่างท่านทาอย่างท่านแล้วเราก็จะมีความสุขอย่างท่านนั่นคือเราเอาท่านมาเป็นที่พึ่งเป็นแบบเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกัน ท่านเป็นต้นแบบที่ดีในความเพียรความที่ทรงสร้างบารารีให้ดินกาลังใจเข้มแข็งไม่นคืแบบแผนที่ดีจนเป็นครูที่ดีก็เพราะว่ า, ท, ท, าทรงสอนให้เรารอดพ้นในทุกๆอย่างไม่ ว, ว่าเรื่องอะไรเล็กเมือ่อทันตอนเป็นถึงที่ผ่านแปดหมื่สี่พันวัธรรมขันในสอนทุกเรื่อ นั่นะราต้องมาตั้งในึกถึงคนของพระพุทธเจ้ากันนะนึกถึงคุณของพระธรรมคณของพระอริยสงฆ์คนของครูบาอาจารย์สึกกันมามีหนวงปู่ปานมีหลวงพ่อมีพระท่านทั้งหลายที่นี้ก็มีหลวงปู่เทวดทุกองค์ทุกท่านก็มีคุณกับเราท่านพ่อท่านแม่ท่นเทวดาทั้งหลายท่านท้าวจารย์สมมาราชทั้งสี่ท่านลุงท่านปู่ท่านย่าทุกๆองค์ที่ท่านโยธาสงเคราะห์รามา แล้วก็นึกถึงว่าก็ากราบขอบพระคุณที่ท่านแม่จาสงเคราะห์ในทุกๆอย่างข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งใจทำไม่ให้เสียซึ่งการเวียนว่ายไปเกิดในครั้งนี้ว่าจะต้องทําให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับที่พระอารหันต์ทั้งหลายทํำถึงแล้วเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับอยู่ในความสุขสมบูรณ์ดีแล้วเราก็ต้องการถึงนั้นเช่นเดียวกับพระองค์เหมือนกัน นั้นในสิ่งที่จะกระทำต่อไปนี้ขออำนาจ บ, บนบารมีทั้งหลายทีเรกทุกคนได้ตั้งใจกระทำกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันขอจงเหนือเป็นพลาอาิภาพบนรวมกันให้หนึ่งเป็นกำลังให้ข้าพระพุทธเจ้ามือ ก, กะดัแก่ก้ามีกำลังปัญญาเฉียบคมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และเขบริบูรณ์สมาจะไปคิ ด, ช, ดชนะซึ่งกิเลสปัญหา ปุปราชาและอกัสดรกรรมที่ครอบําใจของข้าพเจ้าได้อย่างง่ายดายและก็รวดเร็วข อ, อนักแต่แบบนี้เป็นต้นไปขออํานาจแห่งบนที่ทาําไม่ว่าจะครั้งใดคราใดที่จะทำต่อไปในเบื้องหน้าจงนั้นมาเป็นอนํานาจแห่งสบัของข้าพเจ้าตลอดไปเถิดจงคุ้นครองรักษายข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างสบายกายและก็สบายใจเพื่อให้กายนั้นไม่ถูกเปลีดด่ยน ไม่ให้ใจนั้นสุขเด็ดเดียเด่ยวในการคุ้มครองรักษาแห่งอํานาจแห่งบงคือ ท, ทานศินลปภาวนาที่ดุตั้งใจกระทําต่อไปอย่างเข็งครับเป็นจริงเป็นจังขอสิ่งที่เป็นสัจวาจาที่กล่าวไปัในครั้งนี้ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะตั้งใจทำเพื่อความสุขเห็นซึ่งประโยชน์แห่งการทำในการเจริญทานศิลภาวนาอย่างแน่วแน่และก็เด็เดี่ยว ขอสิ่งที่เขาไเจ้าใจทาตอบตป็นี้จึงได้มาเป็นผลพลา อ, าอเลสงแห่งเป็นที่เกิดขึ้นจากทางศีลละภาวนาเพื่อให้จิตของเขาไปเจ้าเนื่งแต่กล้าเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญปัญญาเป็นเคร่รู้แจ้งแทงตลอดลอ ต, ตัดกิเลสจงเสืมุดเฉอตะหานถึงถึงซึ่งพาะนิพพานในชาติตาบันอย่างราเราวและ ง, งนน่ายดายด้วยเถินแล้วเราก็มาตั้งใจจิตสมกสนถวายท่านทั้งหลายแล้วก็จิตสมกสนให้กับ ทัน้นโูมีพระคุณและถ้า ท, าทันทีไม่ใชยาทั้งหลายก็ตามนะอิทางวบนญาทลั ง, ง, ง, ลงเป็นละเบนใด ท, ที่เข้าไปจ้งทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอทึ่จงโกตนนี้ให้แต่จ้า ก, กรรมใ น, ใในเวรทั้งหลายขอจะมาบทโมท น, นา อโหสกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่ปัจบัดนี้อาภ้ า, าเกษตรพระนิพพานและขอที่สุดปับนนี้ให้แก่เทพพเจ้าทั้งหลายที่ตประรักษาข้าพเจ้าแต่เทพพเจ้าทั้งหลายที่รัษากรลิทิภพและพญาเยมารา ขอพระพเจ้าทั้งหลายและพยาโยมราษฎร์โปรดโมทนาจะเปิดเป็ักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้โดยเถพาและขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เปิดความสุขโยกตีเปิดคามปุ๊บโยกตีก เป็นญาติก็ดีมิช่ญาติก็ดีขอให้ท่นานจงมโหทนานะตนนี้รับประโยชน์ความเปิดเช่นดียวกัข้าพาเจ้าจะเตนนี้รับแะาการระดับเดียวนี้เปิดเป็นระดใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดําเพ็ญแล้วและโอกาสนี้ขอผลรบดับนี้ จึงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติต p r e s e ุเในช า, า, าติราารตรนกูง เตตานังอุปการปอิจิตังปจิตังจุม hanging พระเมสมมสตุัพเพเพรินตุสังกตปันโทปนารายคามานิโชธิราตยัาสัีกโยวิวัชชนตุตัพพโรโวินัสตุมาเตถวันวันปราโยสุขีที่ขายุโกภวัิวา กณนสีริจิจังวุทาปดายโนจัตตาโรธรรมวัชันติอายุวันโอสุ ข, ขังพะลังอรหังสัมมาสัมพุทธพระควตกรทางพระครวตจางอภิวาเทมิสว่ า, าขวาโตพระครวตตาโม อามังนะมาสามิเป ต, คคติกันโนภะวะโตตาวะกะสังโคสังคังนะมามิโอทนาทุกคนนะเดินทางกลับก็บปลอดภัยนะถึงบ้านก็รวยกันเลยนะ